ท่านแสดงธรรมเรื่องขันหอายตนะ12ท่า18ซึ่งเป็นธรรมปฏิบัติคือวิปัสนาโดยท่านบรรลุฌานก่อนมีความสุขที่เกิดจากปีเตในวันที่7แล้วก็บรุอรหัตมรรคในวันที่8